ดาวค่ะหลวงตาก็คราวที่แล้วที่หลวงตาบอกว่าหนูยังติดมีความอยากที่มันละเอียดละเอียดเนี้ยค่ะก็กลับไปก็ลองพิจารณาดูมันก็มันเหมือนจะวางแต่มันมันก็ยังวางไม่ไม่ลงเลของมันนี้รู้วป่าค่ะหลวงตามันก็เหมือนเออวางไว้สักตั้งแล้วมันเหมือนมันกระเด้งกลับมาอีก่ะคะก็ลอง วันทวนไปสักพักมันก็หายไปแล้วแล้วอยู่ๆมันก็เห็นความอยากขึ้นมาอีกแต่ก็เออช่างมันเนี้ยค่ะหลวงตาแต่ก็รู้สึกว่ามันจะเหมือนค่อยๆค่อยๆค่อยๆวางเหมือนบรรเบาลงกว่าเดิมที่มันยึดที่กระโดดเข้าไปคว้าอะไรเงี้ยค่ะหลวงตาอมก็ปฏิบัติอย่างเดิมเลยนะสติสติสติปัญญาเห็นมันตามเนี่ยตามที่ที่เรื่องใหม่ๆเนี่ยเรื่องใหม่ๆที่ส่งเข้าไปเข้าใจใช่ไหมอ่านอยู่ใช่ไหม เรื่องหมายที่ฟังอยี่ว่าขันห้าขันห้าไม่ใช่กิเลสไม่ใช่นิพพานขันห้าเพียงแต่ว่ามันมันประกอบรวมกันของธาตุส่วนใ้อวิชามันติดอยู่ที่ถาดุรู้ที่มาเข้ามาผสมดับอวิชชาที่ธาตุรู้ดับอวิชชาที่ธาตุรู้ธาตุรู้ก็โผลเป็นความว่างมนอยู่อย่างนั้นแหละขันห้าคงทำงานอยู่นั้นแหละ อาวิชาถ้าเอาวิชาบรรจุติดที่ขันหน้าเนี่ยพุทธเจ้ากัพระอรหันเนี่ยดับเอาวิชาไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าดับเอาวิชาขันหน้าต้องตายแน่แลเลยพอดับวิชาปุ๊บขันหน้าแตกดับเลยเพราะนัคือขันหน้าถ้าดับไปส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะต้องตายทันทีอันนั้อาวิชาไม่ได้ติดที่ขันหน้าพุทธเจา้าว่าอะไรทั้งหลายดับเอาวิชาแล้วขันหน้าก็จะคงอยู่แล้วก็ถ้าตุรู้ที่วางเปล่าก็คงอยู่แต่สิ้นเฉพาะความยึดมั่นถือมั่น ความยึดมั่นถือมั่นมันติดมา ก, มากับธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุที่เข้ามาผสมในผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟดินก็เริ่มมาจับสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่แล้วก็เริ่มกินซากพืชซากสัตว์กินน้ากินลมกินไปเขาไปแล้วผสมกันขึ้นมาเป็นขันห้าแต่ในขันห้ามันก็มีธาตุของมันอยู่ไม่ใช่ว่าพอเป็นขันห้าแล้วธาตุมันหายไเปเหมือนแก้วอย่างเงี้ย ขวดแก้วอย่างเงี้ยเนี่ยขวดแก้วในในในในขวดแก้วเนี่ยมันก็มีแก้วเนี่ยก่อนมาทําเป็นแก้ ว, วตามที่ที่รู้มาเขาก็ทํามาจากหลายการเผาทรายใช่ไหมมีทรายมีแร่ธาตุอื่นๆอาจจะมีเอาแร่ธาตุอื่นมาผสมมีน้ํามีไฟมีลมเนี่ยนี่พอมันรวมเป็นแก้วแล้วเนี่ยคือแก้วมันก็มาจากธาตุธาตุมันจะรวมอยู่ในแก้วที่เหมือนกับไอ้ร่างกายของเราเนี่ย พอมาเป็นขันห้าแล้วอ่ะไอ้ธาตุธาตุดินที่เป็นของแข็งมหมคยังปของแข็งอยู่ือผมขนเล็บันหนังเนื้อเอกระดูกตับไตไตไตไตไไสไตไตไตไตไตไตไตไต็ตไตไงไตไตไตไตไตไตไตไตไตไาตไตไตไตไตไําตไตไตไตไตไตไตไตไตไตไตไตนตไตไตไตไตไตนตไตไตไตไตไตตไตไตไตไตไตไตไตไตไตไตไนไตไตไตไตตไตไตไตไตไตไตไตไลมตไตไตไตไตไตไตไตลตไตไตไตไงไตไตไตไตไตไตไตไตไตไตไ่ไตตไไตไตไตไตนตไตไตไตไตไตไตไ ยังคงเป็นเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุว่างธาตุรู้ที่ว่างเปล่าก็คงเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าอยู่ในขันห้านี่แน่เพราะนั่นมันเป็นขันห้าแล้วธาตุก็อยู่ในขันห้านี่แน่เพียงแต่ว่าอวิชามลำบางตาใจมันทําให้มองไม่เห็นว่าในขันห้านี่ยมันมีธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเราเห็นแต่ขันห้าที่เป็นร่างกายเป็นจิตใจที่เป็น ฝ่ายที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพออวิชามาาันบังเพะความหลงยึดมั่นถือมั่นว่ะจิตมั่นถือหลงความหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยอวิชามันบังตัวบังตาใจมันเลยมองไม่เห็นว่าออมันมีธาตุรู้ที่ว่างเปล่าอีกอีกอันหนึ่งอยู่ในขันห้าเนี่ยพอสิ้นอวิชาเนี่ยอนขันห้ามันก็เป็นกิริยาการที่เกิดเกิดดับดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าก็ผมเป็นธาตุรู้ของมันตามธรรมชาติ แต่เดิมนีแ่แหละแล้วกลายขันห้าเมื่อคมเป็นขันห้าของมันแต่เดิมนี่แหละที่มาผสมกันมันก็เลยกลายเป็นขนนันห้าทํางานก็ขันห้าทํางานไปใจที่ว่างเปล่าก็าเป็นใจที่ว่างเปล่าไปก็เลยกลายเป็นว่าขันห้าแสดงกิริยาการต่างๆเนี่ยเกิดดับในใจที่ว่างเปล่าอันถ้าเราเนี่ยสิ้นอวิชชาโดยสติปัญญาที่เข้าใจอย่างเนี้ยเข้าใจในภาพรวมอย่างเนี้ยแล้วก็ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่น ทุกขิารยาการที่มันกระเพื่อมมันไหวตัวไม่ว่ามันจะเร็วปานใดกระเพื่อมไหวตัวเป็นความนึกความคิดความตึกความต่อมแม้แต่มันมันคิดนึกหรือตอมเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันก็เห็นว่ามันเป็นขันห้าเอามาคิดปรุงแต่งเอาสังขานมาคิดปรงแต่งเราอย่าหวั่นไหวไปตามมันอย่าหวั่นไหวไปตามมันด้วยอํานาจสติที่เข้มแข็งปัญญาที่มันรู้แจ้งแก่ใจว่ามันมีแต่ขันห้ากับมีแต่ธาต ที่ทํางานร่วมกันออืธาตุขันธ์ทำงานร่วมกันแล้วก็ผ่านการรับรู้ทางอายตนะอายตนะภายในภายนอกไปรับรู้วิญญาณขันธ์เนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยอาศัยอายตนะภายในาตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปรับรู้รูปรดกินเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมลมอายตนะภายนอกอันอาการของใจทุกชนิดเนี่ยที่เป็นธรรมลมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็วิญญาณที่ไปรับรู้แล้วก็ ทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมอารมณ์นะเป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกเป็นอายตนะภายนอกออต้องปล่อยวางไปให้หมดสิ้นแม้แต่อายตนะภายในประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าประตูทั้งหมดมันติดอยู่ที่ร่างกายเขาตายแล้วประตูก็ดับหมด ส่วนวิญญาณขันนี่ก็ทางานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาทังขานมาเลยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งตึกตองคิดติกตองทั้งรู้ทั้งคิดตึกตองรู้คิดติดตองรู้แล้วก็ภาคภาคภาคภาคอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งภาคทั้งรู้ทั้งคิดทั้งภาคทั้งรู้ทั้งคิดทั้งภาคก็เราไม่หวั่นไหวไปตามทุกขริยาการไม่ว่ามันจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศ มีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรุงได้ใจหรือธาตุรู้เนี่ยปรุงไม่ได้มันเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุปรุงไม่ได้มีแต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวและเป็นความรู้ที่ปรุงไม่ได้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่ความรู้ที่ไม่ปรุงมีแต่รู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆที่ปรุงไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าเขาจะปรุงยังไงก็ตามปรุงกิเลสปรุงรู้สึกความเป็นอกุศลปรุงอะไรขึ้นมาในใจอ่ะ ถ้าไม่หลงไม่หลงตาไม่หลงมีตัวเราเข้าไปมีมีอารมณ์ร่วมไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าเราเห็นว่ามันปรุงเป็นตัวเราตัวเราแล้วเราก็มีปัญญาเห็นมันทันมันตลอดเวลาว่ามันเนี่ยคือสังขารทั้งนั้นเนี่ยมันหาใช่ตัวเราจริงๆริงไม่มันก็จะไม่หลงมันเป็นกิเลสเป็นสังขาก็ได้แต่มีสติปัญญาที่เหมือนกับรู้มันอยู่อยเนี้ยทันกันตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนมันทันกันจนมันทันกันเลยสติปัญญามันทันกันจนกระทั่ง สติก็เป็นมหาสติสมาธิก็ไม่หวั่นไหวไปตามปัญญาก็รู้แจ้งว่ามีแต่สังขารทางนั้นมีแต่สังขารทางนั้นที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะปรุงแต่งเป็นอย่างไรก็ตามแม้แต่ปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวนตนเราเป็นแต่สังขารทางนั้นจะปรุงยังไงก็เป็นสังขารทางนั้นนอกจากสังขารแล้วไม่มีใครยึดบั่นถือบ้านเพราะว่าพอนอกจากสังขารแล้วก็เป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าเป็นธาตุก็ไม่มีตัวเราอีกไม่มีตัวเราอยู่ในนั้น ปัญญาสูงสุดอันนี้มันกำกับไว้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านในสังขารทั้งปวงแล้วมันก็ไม่หลงมายึดบ้านถือบัน่นใจที่ว่างเปลา่าพยายามที่จะเอาใจที่ว่างเปล่าวไว้มันไม่ยึดทั้งสังขารที่ปรุงแต่งและไม่ยึดทั้งวิสังขารคือใจที่ว่างเปลา่าเดี๋ยวแต่ความรู้ที่บริสุทธิล์ล้วนๆสิ้นความหลงหยึดบ้านถือบ้านสติสมาธิปัญญาต้องมีกําลังแก่กล้ามากเป็นขณะจิตเดียว คือกำลังเนี่ยมันไม่ไม่บมาค่อยสติมาทีสมาธิมาทีปัญญามาทีมันก็ค่อยมีสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งหรือเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคหรือมรรคสมังคีหรือมรรคสามัคคีเนี่ยมรรคทั้งแปดข้อมันรวมเป็นขนาดจิตเดียวที่หลวงตามหาบวว่าตอนขนาดจิตที่มันรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเหมือนดังดับเทติคมก้าฟันอวิชากิเลสตัณหาขาดตะบั้นเลยทีเดียว ไม่มีตัวหลงเข้าไปปรุงแต่งไม่มีตัวขยับเข้าไปเลยไม่มีตัวเราเนี่ยมีความารู้สึกกับเป็นตัวเราเนี่ยขยืนหรือขยับแม้แต่น้อยหนึง่งปรามานูหนึ่งมีแต่เห็นว่าทุกกิริยาการที่มันขยับตัวแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งหรือปรมาณูหนึ่งเป็นแต่สังขารทั้งนั้นไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่สังขารที่เกิดขึ้นและสังขารที่ดับไปแล้วก<ๆ>็ ฝ่ายผู้รู้ถึงเป็นพุท ธ, ธะไม่มีอะไรขยับเลยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งหมดไม่มีสติปัญญาที่เป็นความปรุงแต่งอีกเข้าถึงรู้ที่บริสุทธิ์ในขณะเดียวเพราะสติปัญญาสติสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคเนี่ยมารวมเป็นใจในขณะจิตเดียวที่มีความรู้แจ้งว่าทุกสรรพสิ่ง ล้วนไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราเข้าผสมอยู่ในนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเองแต่ดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองส่วนผู้รู้ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏกิริยาการใดๆไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏใจที่เป็นตัวตนไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏพุทธะมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ดับไปเป็นธรรมดา เห็นอย่างเนี้ยจนกระทั่งไม่มีผู้เข้าไปดูไม่มีผู้เข้าไปรู้ไม่มีผู้เข้าไปเห็นสิ้นสุดของขณะจิตหนึ่งสิ้นสุดของการเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจนสติสมาธิปัญญามันรวมเป็นหนึ่งหรือยมรู้เป็นหนึ่งที่ใจดับสิ้นซึ่งความเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นดับสิ้นซึ่งปัญญาที่ทําความเข้าใจกํากับไปเหลือแต่ใจที่รู้เป็นหนึ่งเดียว แล้วทุกอย่างก็เงียบสงบไปหมดเลยไม่มีใครสนใจสังขารทุกปิยาการแม้แต่น้อยนึงนิดนึงก็ไม่มีเลยเหลือแต่ใจเงียบสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลโลกธาตุสิ้นความสิ้นผู้หลงหยึดมั่นถือมัน่นไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาคิดกุศลกุศลไม่มีใจที่ ปรุงเป็นสมมุติบัญญัติกำกับไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรสิ้นสมมติบัญญัติทั้งมวลในใจไม่มีตัวปรุงแต่งกำกับอะไรเป็นไอนั้นไอ้นี่เป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไอ้นั้นอ้นั้นเป็นไอ้นี่อันนี้อาจารย์สอนว่าอย่างนั้นอาจารย์สอนว่าอย่างนี้ทำอันนี้เรียกว่าไอ้นั่นทำไอ้นั่นเรียกว่าไอ้นี่อันนี้เรียกว่าขันห้าอันนี้เรียกว่าธาตุรู้อันนี้เรียกว่าสังขารอันนี้เรียกว่าวิสังขารขณะจิตที่มันมันรู้เข้ามาถึงใจแล้วเนี่ยมันไม่มีเรียกชื่ออะไรแล้วไม่มีสมมติบัญญัติ มันไม่มีสมมติบัญญัตินี่เรียกว่าสมมติบัญญัติเรียกว่าขันห่านในตัวปรุงแตง่งไม่มีชื่อเรียกวิมุติด้วยไม่เรียกว่าธาตุรู้ไม่เรียกว่าจิตหรือใจไม่มีตัวบัญทตกเหมือนกันไม่มีตัวสมมติบัญญัติขึ้นมาในใจเดี๋ยวแต่ความเป็นหนึ่งเดียวคือมีแต่หยับสงบจากสมมติบัญญัติใดๆทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกับโลกธาตุ โล ก, กธาตุภายในและโล ก, กธาตุภายนอกสักระดับไปทั้งจักรวาลโล ก, กธาตุไม่มีสมมติบัญญัติอะไรในใจนั้นไม่เรียกชื่ออะไรเลยขนาดจิตนั้นไม่ปรากฏภาษาธรรมไม่ปรากฏภาษาโลกเข้าใจไหม่ะรองตาก็ดูมันไปถ้าอย่าสิ่งไหนมันยังเคลื่อนไหวมันก็เป็นสังขารทั้งหมดนะอย่างนั้นไนะ ตัวเราผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจก็ไม่มีใครยึดมัน่นถือบ้านของปล่อยให้ความมีความดูเป็นเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเป็นเป็นสังขารปรุงแต่งไปซะไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ mm. เห็นผู้เข้าใจเป็นแต่สังขารปรุงแต่งที่ถูกปล่อยวางไปเหลือแต่ใจเป็นหนึ่งเทานั้นเองเหลือแต่ใจที่เป็นห่ แต่ไม่ใช่ว่าทิ้งความรู้ไปแต่ไม่มีใครยึดความรู้นั้นเหลือแต่ความรู้ที่เป็นหนึ่งและไม่มีใครยึดความรู้นั้นไม่มีการที่เข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าพยายามไปทำอะไรอีกหมดสิ้นถึงความปรุงแต่งสิ้นความพยายามที่จะเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปต้องเข้าใจคือเหมือนแต่ก่อนที่ที่เคยมันที่ดูเราส่วนใหญ่เวลาเรารู้เราจะ เหมือนดูแค่ประตูใจลืมประตูอื่นนะคะดวงตาแต่พอมาเออช่วงหลังออมันไม่จาเป็นต้องลอคอยดูที่ประตูใจเดี๋ยวมันทุกสัมผัสที่มันมาสัมผัสเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้เลยมันก็รู้ของมันอยู่แล้วค่ะเป็นธรรมชาติความรู้ทางตาหูจมูกล่้นกายใจมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครต้องไปคอยรู้เป็นความรู้ตามธรรมชาติ เพียงแต่สิ้นความยิดมั่นถือมั่นทั้งหมดในความรู้ทางตาอุจจมูลินกกยใจไม่มีใครไปยึดอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์คืออาการทั้งหมดเวทนาสัญญาสั้งขานซึ่งเป็นธรรมอารมณ์ไม่มีใครไปยึดและไม่มีใครยึดอยายนตานะภายในตาอุจจมูลินกกยใจแลวก็ไม่มีใครยึดขันห้า โดยเฉพาะไม่มีใครยึดจิตหรือวิญญาณอานารที่ทํางานร่วมกับเจตสิกเวทน า, ทนาสัญญาสังขานไม่มีใครยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้และไม่มีใครยึดทั้งผู้รู้มีแต่ธรรมชาติเขาทํางานไปมีแต่ธาตุขันไอยตนะเขาทํางานไปของเขาตามธรรมชาติตามหน้าที่ของธรรมชาติเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างธาตุขันไอยตนะ เป็นหน้าที่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอวิชาที่ติดมากับาธาตุรู้ที่มาผสมกับาธาตุดินคือสเปิมของพ่อไข่ของแม่ที่เป็นาธาตุน้ําแล้วก็าธาตุดมธาตุไฟแล้วแม่ก็กินสาปพืชสากสัตว์ธาตุดินกินน้ําเข้าไปอีกกินลมกินไฟเติมเข้าไปเติมเข้าไปเดียวแต่าธาตุดียวที่ไม่ต้องเติมคือาธาตุรู้ที่ว่างเปล่านะ่ะไม่ต้องเติมเพราะไม่พร่อง แต่เนื่องจากมันเป็นอวิชชาติทิทฐารู้มันเลยหลงหยึดขันห้าที่ะสมเสร็จแล้วขึ้นมาว่าเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีเราเป็นตัวเป็น ต, ตนอยู่ในขันห้านี้มันเป็นอวิชชาที่ติดหมายกับาธาตุรู้มันเลยไม่เป็นาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์สุดท้ายเนี่ยมันจะพ้นทุกได้ก็เพราะปัญญาปัญญารู้แจ้ง สติเป็นตัวช่วยไว้ตัวใจทําให้เราเนี่ยไม่หลงเหมือเผอเพลนติดไปกับอะไรไม่หลงคิดหลงปรุงแต่งแค่นั้นเองอ่แต่ไม่ได้เป็นสติที่ตั้งไว้แต่เป็นความไม่ไม่หลงเหมือเผอเพลนไม่หลงคิดปรุงแต่งไปจนกระทั่งฝึกจนเป็นธรรมชาติไปแล้วคือเป็นธรรมชาติที่ไม่หลงเหมือเผอเผลนไม่ไม่หลงเข้าไปพยายามดูพยายามรู้พยายามเห็นอะไร แล้วก็ไม่หลงคิดนึ่ตึงปลูกตองปรุงแต่งอะไรไปมีแต่ความมีแต่ความรู้ตัวอยู่ที่เป็นธรรมชาติแท้เป็นธรรมชาติแท้เป็นความรู้ตัวที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ว่าสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาและเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้หลงมเมื่อเผลอเผลอไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้ในขณะปัจจุบัน แล้วก็ไม่หลงคิดปรุงแต่งอะไรไปใจเป็นตติธรรมชาติเป็นสมาธิธรรมชาติที่ไม่ต้องทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญญาที่ไม่ใช่ว่าเป็นโยนิโสมนสติการคือต้องคอยละลึกคอยน้อมเอาไว้ว่านี่ก็สังขาร น, นี่ก็สังขารมันรวมมาเป็นความรู้แจ้งที่ใจแล้วก็ตัดขาดที่ใจในขณะจิตเดียว แต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการอย่างที่ ท, ที่เราฝึกฝนมานัน่นแหละอแต่มาถึงขั้นเนี้ยติ๊กซอนตรงนี้นะอันเนี้ยมันจะปรุงยังไงจะเป็นปรุงเป็นดีเป็นชั่วปรุงเป็นอะไรมันก็เป็นความปรุงแต่งทั้งนั้นมันไม่ขอาเปไหมมัดยึดถือเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติคือธาตุขันอายุธนาภายในกับภายนอกมันทํางานกันตามธรรมชาติ สัมพันธ์การทำงานตามธรรมชาติไม่มีใครยึดมั่ถึงมันมีอะไรไม่ชัดเจนไหมก็คิดว่าพอพอเข้าใจแล้วลงตาก็มันก็ต้องใช้ก็ต้องดูมันไปเรื่อยๆมันคงเราไปทำอะไรไมนใชให้มันวางเลยมันก็คงไม่ได้เพราะมันก็ยึดติดมานานแสนนานค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันค่อยๆคลายลงอืมดีแล้ว